ทำนำผู้แปลท้ามกลางกระแส ร, รุ่มร้อนรอบด้านเมื่อคุณดนัยจำเจ้าชายแห่งสำนักพิมพ์ดีเอ็นจีชวนให้แปล Snow in the Summer ดิฉันตอบรับด้วยความเต็มใจเพราะจำได้ดีถึงกระแสคำเย็นที่ซึมซับได้ตอนอ่านหนังสืองดงามเล่มนี้เมื่อสองสามปีก่อนคงจะดีไม่น้อยหากเราจะมีหิมะลากฤดูร้อนมาช่วยผ่อนคลายความร้อนระอุรอบๆตัวลงบ้าง แม้ว่าหิมะกลางฤดูร้อนจะรจนาขึ้นโดยท่านสยดออูชโชติกะพระอาจารย์ชาวพมา่าผู้มีชื่อเสียงแต่หนังสือเล่มนี้ก็แตกต่างจากหนังสือธรรมบัญญายเล่มอื่นๆเพราะเนื้อหาของหนังสือรวบรวมมาจากจดหมายส่วนตัวที่พระอาจารย์เขียนถึงลูกศิษย์ใกล้ชิดสามสี่คนโดยผู้เรียบเรียงได้มีความอุตสาหะภาคเทียนคัดสรรและจัดหมวดหมู่เสียใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ตลอดเวลาที่แปล ง, งานชุดนี้ดิฉันสัมผัสได้ถึงความสุขสงบเย็นความเมตตาความเข้าใจและความห่วงใยที่รินหลังจากดวงใจงดงามของพระอาจารย์มาสู่สานุสิตของท่านและเลยเผื่อแผ่มาถึงดิฉันด้วยดิฉันพยายามอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดทั้งสาระอันเปี่ยมล้นของเนื้อหาความลึกซึ้งของถ้อยคำที่ถูกเลือกใช้อย่างบระจงและความสุขสงบ ชุ่มชื่นเบิกบานที่แฝงอยู่ในทุกบททุกตอนของหนังสือบ่งบอกถึงดวงจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาอันล้ำลึกด้วยความเข้าใจโลกเข้าใจธรรมของท่านผู้รจนาอีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันลึกๆที่ชวนให้ผ่อนคลายยิ้มได้กับโลกวุ่นๆใบนี้ขอกราบขอบพระคุณพระคันธสาราพิวงแห่งวัดข้ามอโอจังหวัดลำปาง ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ในการแปลสับภาษาบาลีอาจารย์เปรียบแสงจันร์บุญนาคผู้กรุณาให้คำปรึกษาในยามที่ทีฉันเข้าตาจนกับการตีความอันซับซ้อนของภาษาอังกฤษและคุณดนัยจันร์เจ้าฉายกับทีมงานสำนักพิมดีเอ g มที่ช่วยให้หนังสืองดงามเล่มนี้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์มาอยู่ในมือของท่านได้ หากมีความผิดพลาดบกพร่องประการใดจากการแปลนหนังสือเล่มนี้ที่ฉันขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวและจะยินดีเป็นที่ยิ่งหากผู้รู้ท่านใดจะเมตตาแนะนำแนวทางอันถูกต้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระแสแห่งความสุขสงบชุ่มชื่นเบิกบานจากหิมะกลางฤดูร้อนเล่มนี้จะมีส่วนช่วยดับร้อนผ่อนทุกและจุดประกายแห่งปัญญา ให้ท่านผู้อ่านเกิดความเข้าใจในชีวิตอย่างลึกซึ้งและเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปบนมันคาสู่ความพ้นทุกนี้ด้วยกันทุกทุกท่านมนฑาทิพคุณวัฒนากันยายนพุทธศักราช2551